ติยาพาณวาระสังคเพทักกถาว่าด้วยการทำลายสงฆ์พระเทวทัตชักชวนพระวัชีบุตรห้าร้อยรูปเข้าเป็นพักพวกครั้นถึงวันอุโบสถพระเทวทัตลุกจากอาสนะประกาศให้ภิกษุจับสลากด้วยกล่าวว่าท่านทั้งหลายพวกเราเข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมทูลขอวัตถุห้าประการว่าพระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคตรสัสสรรเสริญความมักน้อยและถึงการปรารบความเพียรโดยประการต่างๆพระองค์ผู้เจริญวัตถุห้าประการเหล่านี้ก็เป็นไปเพื่อความมักน้อยและถึงการปรารบความเพียนยรรพระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าขอประทาวโรกาสดังนี้ 1. ภิกษุทั้งหลายควรอยู่ป่าตลอดชีวิตภิกษุรูปใดเข้าบ้านภิกษุรูปนั้นมีโทษ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 หภิกษุทั้งหลายไม่ควรฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตภิกษุรูปใดฉันปลาและเนื้อภิกษุรูปนั้นมีโทษแต่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุ ญ, ญาตวัตถุห้าประการเหล่านั้นก็พวกเราจงสมาทานประพฤติตามวัตถุห้าประการเหล่านั้นท่านรูปใดเห็นด้วยกับวัตถุห้าประการเหล่านี้ท่านรูปนั้นจงจับสลากสมัยนั้น พวกภิกษุวัชีบุตรชาวกรุงเวสาลีประมาณห้าร้อรูปเป็นพระบวชใหม่ไม่รอบรู้พระธรรมวินัยภิกษุเหล่านั้นจับสลาวเพราะเข้าใจว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นสัตุศาสตร์ครั้งนั่นแหลพระเทวทัตทําลายสงแล้วพาภิกษุประมาณห้าร้อรูปเดินทางไปทางขยาศีสะประเทศต่อมาพระสารีบุตรและพระโมคคานะ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรครั้นแล้วท่านพระสารีบุตรเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข่าพระเทวทัตทำลายสงพาภิกษุประมาณห้าร้อยรูปเดินทางไปทางขยาศีสะประเทศแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรโมคลานะ พวกเธอจะต้องมีความกรุณาภิกษุผู้บวชใหม่เหล่านั้นบ้างมิใช่หรือพวกเธอจงไปเถิดก่อนที่ภิกษุเหล่านั้นจะเสื่อมเสียภิกษุผู้เถระทั้งสองทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้วลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วเดินทางไปขยาศีสะประเทศภิกษุรูปหนึ่งเข้าใจผิด ขณะนั้นภิกษุรูปหนึ่งยืนร้องไห้อยู่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรฐานภิกษุนั้นดังนี้ว่าภิกษุเธอร้องไห้ทําไมภิกษุนั้นกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข่าพระสารีบดเกับพระโมคคลานะผู้เป็นพระอัครสาวกของพระองค์ไปสํานักพระเทวทัตชอบใจคําสอนของพระเทวทัตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุ ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่สารีบุตรและโมคลานะจะชอบใจคำสอนของเทวทัตสารีบุตรและโมคลานะนั้นไปเพื่อแนะนำพิกษุทั้งหลายให้เข้าใจพระอัครสาวกพาพิษุ5 0ิรอรูปกลับครั้งนั้นพระเทวทัตมีบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมนั่งแสดงธรรมอยู่มองเห็นพระสารีบุตรและพระโมคลานะมาแต่ไกล ั้นแล้วจึงกล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกท่านเห็นไหมทำอันเรากล่าวดีแล้วถึงขนาดพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะอัครสาวกของพระสมณโคดมยังพากันมาหาเราชอบใจธรรมของเราเมื่อพระเทวทัตกล่าวอย่างนี้พระโกกาลิกะได้กล่าวดังนี้ว่าท่านเทวทัตท่านอย่าเพิ่งวางใจพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตรและพระโมคลานะมีความปรารถนาชั่วตกอยู่นำหน้าความปรารถนาชั่วพระเทวทัตกล่าวว่าท่านอย่าคิดเช่นนั้นพระสารีบุตรและพระโมคลานะนั้นมาดีเพราะชอบใจธรรมของเราทีนั้นพระเทวทัตเชื้อเชิญท่านพระสารีบุตรด้วยอาสนะครึ่งหนึ่งว่ามาเถิดท่านสารีบุตรนิมนต์ท่านนั่งบนอาสนะนี้ ท่านพระสารีบุตรห้ามว่าอย่าเลยท่านแล้วเธอเอาอาสนะหนึ่งนั่งณที่สมควรแม้ท่านพระมหาโมคคลานะก็เธอเอาอาสนะหนึ่งนั่งณที่สมควรครั้งนั้นพระเทวทัตชี้แจงให้พิสุทั้งหลายเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานแกล้วกล้ า, ลาปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาสิ้นราตรีไปเป็นอันมากได้เชื้อเชิญท่านพระสารีบุตรว่า ท่านสาเรบุตรภิกษุสงฆ์ยังไม่ง่วงท่านสารีบุตรทามีคถาของท่านภิกษุทั้งหลายเข้าใจง่ายแต่เราเมื่อหลังเราจากเอนพักท่านพระสารีบุตรรับคําพระเทวทัตจากนั้นพระเทวทัตปูสังคาติสี่ชั้นจําวัดโดยข้างเบื้องขวาพระเทวทัตนั้นเหน็ดเหนื่อยจนเผลอสติไม่รู้สึกตัวครู่เดียวก็หลับไปลําดับนั้นท่านพระสารีบุตร กล่าวตักเตือนพร่ำสอนภิกษุทั้งหลายด้วยธรรมยกรถาที่เป็นอนุสาสนีประกอบด้วยอาเทศนาปาติขานท่านพระโมคคัลลานะกล่าวตักเตือนพร่ำสอนด้วยธรรมยกรถาที่เป็นอนุสาสนีประกอบด้วยอิทธิปาติหานครั้งนั้นแหละท่รรมจากสุขอนปราศจากทุลีปราศจากมนฑินได้เกิดก่ภิกษุทั้งหลายผู้ได้รับการกล่าวตักเตือนพร่ำสอน ด้วยธรรมิกถาที่เป็นอนุสาสนีประกอบด้วยอาเทศนาปาติหารจากพระสารีบุตรและด้วยธรรมิกถาที่เป็นอนุสาสนีประกอบด้วยอิทิปาติหารจากพระโมคคัลลานะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาต่อมาท่านพระสารีบุตรได้เรียกพิสุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านทั้งหลาย พวกเราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้ชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคนั้นจงมาลําดับนั้นพระสารีบุตรและพระโมคลานะพาภิกษุประมาณห0 0รูปไปพระเวรวนันเวลานั้นพระโกกาลิกะปลุกพระเทวทัตให้ลุกขึ้นด้วยคำว่าท่านเทวทัตลุกขึ้นเถอะพระสารีบุตรกับพระโมคลานะพาภิกษุไปหมดแล้วท่านเทวทัต เราบอกท่านแล้วมิใช่หรือว่าอย่าวไว้ใจพระสารีบุตรและพระโมคขลานะพระสารีบุตรและพระโมกขลานะมีความปรารถนาชั่วตกอยู่ในอำนาจความปรารถนาชั่วขณะนั้นโลหิตอุ่นๆก็พุ่งออกจากปากของพระเทวทัตในที่นั้นเองต่อมาพระสารีบุตรและพระโมกขลานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค แล้วนั่งนาที่สมควรท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข่าขอประทานพระวโรกาสผู้ภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ทําลายสงฆ์พึงอุปสมบทใหม่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่าเลยสารีบุตรเธออย่าพอใจให้ภิกษุที่ประพฤติตามภิกษุผู้ทาลายสงฆ์อุปสมบทใหม่เลยสารีบุตรถ้าเช่นนั้น เธอจงให้ภิกษุที่ประพฤติตามภิกษุผู้ทำลายสงฆ์แสดงอาบัติทุลละใจสารีบุตรก็เทวทัตปฏิบัติต่อเธออย่างไรท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพระเทวทัตปฏิบัติเหมือนพระผู้มีพระภาคคือชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเราใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถา สิ้นราตรีเป็นอันมากแล้วได้เชื้อเชิญฆ่าพระองค์ว่าท่านสารีบุตรภิษุสงฆ์ยังไม่ง่วงท่านสารีบุตรถ้ามีกถาของท่านภิกษุทั้งหลายเข้าใจง่ายแต่เราเมื่อหลังเราจักเอ็นพับครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในสะใ่แห่งหนึ่งอยู่ชายป่าโคลงช้างอาศัยอยู่ใกล้ๆสะนั้น ช้างเหล่านั้นลงไปในสะเอางวงถอนเงาและรากบัวล้างให้สะอาด จ, จนไม่มีโคลนตมแล้วเคี้ยวกินงาและรากบัวงาและรากบัวเป็นอาหารบำรุงผิวพ่านและกําลังของช้างเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นช้างเหล่านั้นจึงไม่ล้มหรือไม่ได้รับทุกปางตายภิกษุทั้งหลายส่วนลูกช้างทั้งหลายเอาอย่างช้างใหญ่พาพันลงสะนั้นเอางวงถอนงาและรากบัว แล้วเมลล้างให้สะอาดเคี้ยวกินทั้งที่มีโครนตมเง่าและรากบัวจึงไม่บำรุงผิวพันธุ์และกําลังของลูกช้างเหล่านั้นลูกช้างเหล่านั้นจึงล้มและได้รับทุกปางตายภิกษุทั้งหลายเทวทัตทำเลียนแบบเราจะเสียชีวิตอย่างน่าสมเพชแล้วเรียกรัดประพันธ์คาถาว่าเทวทัตทำเลียนแบบเราจะเสียชีวิตอย่างน่าสมเพช เหมือนลูกช้างเคี้ยวกินเง่าบัวเปื้อนโคลนตมแล้วจึงล้มไปเพราะเรียนแบบช้างใหญ่ที่ขดดินเคี้ยวกินเง่าบัวเล่นอยู่ในสะใหญ่ฉะนั้นคุณสมบัติของทูตภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติ8อย่างควรทำหน้าที่ทูดได้คุณสมบัติ8อย่างคือ 1. รู้จักฟัง 2. สามารถพูดให้ผู้อื่นฟังได้ 3. ไฟใฝ่ศึกษา 4. ทรงจำได้ดี 5. เป็นผู้รู้ได้เข้าใจชัด 6. สามารถพูดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 7. ดฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ แม่ก่อความทะเลาะวิวาทภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติ8ดอย่างควรทำหน้าที่ทู่ได้ภิกษุทั้งหลายสารีบุตรประกอบด้วยคุณสมบัติ8อย่างคือ 1. รู้จักฟัง 2. สามารถพูดในผู้อื่นฟังได้ 3. ไฝ่ายศึกษา 4. ทรงจำได้ดี 5. เป็นผู้รู้ได้เข้าใจชัด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 ชี้แจงยังไม่มีข้อสงสัยถูกย้อนถามก็ไม่โกรธภิกษุผู้มีลักษณะเช่นนั้นแลควรทําหน้าที่ทู่ได้พระเทวทัตถูกอสสัตธรรมแปดอย่างครอบงำภิกษุทั้งหลายเทวทัตถูกอสัตธรรมแปดอย่างครอบงำย่ํายีจิตต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรกดํารงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้อสสัตธรรมแปดอย่างคือหนึ่ง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 ดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้ 7. เทวทัตถูความปรารถนาชั่วครอบงำย่ํายีจิตจกไปเกิดในอบายจะไปเกิดในนรกดํารงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้ 8. เทวทัตถูกความที่มีมิตรชั่วครอบงำย่ํำยีจิตต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรกดํารงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้ภิกษุทั้งหลาย เทวทัตถูกอาสัตยรรมแปดอย่างเหล่านี้แหลครอบงำเย่ยมยีจิตต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรกดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้ภิกษุทั้งหลายทางที่ดีภ <reci> <Sun> ิกษุพึงครอบงำลาบที่เกิดขึ้นอยู่พึงครอบงำความเสื่อมลาบที่เกิดขึ้นอยู่ยศที่เกิดขึ้นความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นสักกะระที่เกิดขึ้นความเสื่อมสักกะระที่เกิดขึ้นความปรารถนาชั่วที่เกิดขึ้น ความที่มีมิจฉ ua ที่เกิดขึ้นอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรจึงพึงครอบงํามลาบที่เกิดขึ้นอยู่พึงครอบงําความเสื่อมลาบที่เกิดขึ้นยศที่เกิดขึ้นความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นสักการะที่เกิดขึ้นความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นความปรารถนาชั่วที่เกิดขึ้นความที่มีมิจฉ ua ที่เกิดขึ้นอยู่ภิกษทุทั้งหลาย เพราะเมื่อภิกษุไม่ครอบงมลาบที่เกิดขึ้นอยู่อาศวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแคลนทั้งหลายเพิ่งเกิดขึ้นแต่เมื่อภิกษุนั้นครอบงาลาบที่เกิดขึ้นอยู่อาศวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแคลนทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะเมื่อภิกษุไม่ครอบงำความเสื่อมลาบที่เกิดขึ้นอยู่ยศที่เกิดขึ้นความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นสักการะที่เกิดขึ้น ความเสื่อมศักระที่เกิดขึ้นความปรารถนาชั่วที่เกิดขึ้นความที่มีมิจฉุ่นที่เกิดขึ้นอยู่อารวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นทั้งหลายเพิ่งเกิดขึ้นแต่เมื่อภิกษุนั้นครอบงำความที่มีมิจฉุ่นที่เกิดขึ้นอยู่อารวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แล จึงพึงครอบเงาลาบที่เกิดขึ้นอยู่ความเสื่อมลาบที่เกิดขึ้นยศที่เกิดขึ้นความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นสักการะที่เกิดขึ้นความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นความปรารถนาชั่วยที่เกิดขึ้นความที่มีมิจฉุ่นที่เกิดขึ้นอยู่ภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าพวกเราจะครอบเงาลาบที่เกิดขึ้นอยู่ความเสื่อมลาบที่เกิดขึ้น ยศที่เกิดขึ้นความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นสัก ร, ะ, ร ะ, ะที่เกิดขึ้นความเสมื่อมสัก ร, ะ, ร ะ, ะที่เกิดขึ้นความปรารถนาชั่วที่เกิดขึ้นความที่มีมิจฉุอที่เกิดขึ้นอยู่ภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้แหลพระเทวทัตถูกอสัตยธรรมสามอย่างครอบงำภิกษุทั้งหลายเทวทัต ถ, ถูกอสัตยธรรมสามอย่างครอบงำย่ำยีจิตต้องไปเกิดในอบาย ต้องไปเกิดในนรกดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้อสัตธรรมสามอย่างคือ 1. ความปรารถนาชั่ว 2. ความที่มีมิจฉุกสามการได้บรรลุคุณวิเศษขั้นต่ำแล้วเลิกเสียกลังคันเนี้คมมกราใครๆอย่าได้เกิดเป็นคนปรารถนาชั่วไม่ว่าในการไหนๆในโลกเธอทั้งหลายจงรู้จักเทวทัศน์ว่า มีคติเหมือนกับคนปรารถนาชั่วเทวทัตเป็นที่ยกย่องกันว่าเป็นบัณฑิตเป็นที่รู้กันว่าได้อบรมตนแล้วเราได้ฟังมาว่าเทวทัตดุดรุ่งเรืองอยู่ด้วยยศเทวทัตนั้นสังสมความประมาทเบียดเบียนตถาคต น, นจึงต้องไปเกิดในนรกอเวจีมีประตูสีด้านน่ากลัวผู้ใดประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายตอ ผู้ไม่ทำกรรมชั่วบาปย่อมถูกต้องเฉพาะผู้นั้นเท่านั้นผู้มีจิตประทุษร้ายไม่มีความเอื้อเฟือ้อผู้ใดเบียดเบียนตถาคตผู้เสด็จไปดีมีพระทัยสงบด้วยการกล่าวตาหนิการตาหนิพระองค์ย่อมฟังไม่ขึ้นเปรียบเหมือนผู้ที่ตั้งใจประทุษร้ายมหาสมุทรด้วยยาพิจจานวนเป็นหม้อเขาไม่อาจประทุษร้ายได้เพราะมหาสมุทรน่ากลัว ภิกษุผู้ดำเนินตามมักคาของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกพึงถึงความสิ้นทุกข์ได้บัณฑิตทาพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกให้เป็นกระยานมิตรและคบหาท่านเหล่านั้นอุปาลิปัญหาว่าด้วยปัญหาของพระอุบาลีสังคราชีครั้งนั้นท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข่าที่เรียกว่าสังราชีสังราชีความร้าวรานแห่งสงศ์ด้วยอาการเพียงไรจึงเป็นสังราชีแต่ไม่เป็นสังฆเพทความแตกแห่งสงศ์ก็และด้วยอาการเพียงไรจึงเป็นทั้งสังราชีและสังฆเภท พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 1. อุบาลีฝ่ายหนึ่งมีภิกษุหนึ่งรูปอีกฝ่ายหนึ่งมีภิกษุสองรูปรูปที่สประกาศให้จับสลากว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นสัตุศาสตร์พวกท่านจงจับสลากนี้จงชอบใจสลากนี้อย่างนี้จัดเป็นสังฆราชีแต่ไม่เป็นสังฆเพศ 2. อุบาลีฝ่ายหนึ่งมีภิกษุสองรูป อีกไฟล์หนึ่งก็มีสองรูปรูปที่หประกาศให้จับสลากว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นสัตวุศาสตร์พวกท่านจงจับสลากนี้จงชอบใจสลากนี้อย่างนี้ก็จะเป็นสังฆราชีแต่ไม่เป็นสังฆเพศ 3. อุบารีไฟล์หนึ่งมีภิกษุสองรูปอีกไฟล์หนึ่งมีสามรูปรูปที่6ประกาศให้จับสลากว่า นี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นสัตรูศาสตร์พวกท่านจงจับสลากนี้จงชอบใจสลากนี้อย่างนี้ก็จัดเป็นสังฆราชีแต่ไม่เป็นสังฆเภท 4. อุบาลีฝ่ายหนึ่งมีภิกษุสมรูปอีกฝ่ายหนึ่งก็มีสามรูปรูปที่เจประกาศให้จับสลากว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นสัตุูศาสตร์พวกท่านจงจับสลากนี้ จงชอบใจสลากนี้อย่างนี้ก็จัดเป็นสังฆราชีแต่ไม่เป็นสังฆเพศห้ 5. อุบาลีฝ่ายหนึ่งมีภิกษุ3รูปอีกฝ่ายหนึ่งมีสี่รูปรูปที่8ประกาศให้จับสลากว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นสัตรูศาสตร์พวกท่านจงจับสลากนี้จงชอบใจสลากนี้อย่างนี้ก็จัดเป็นสังฆราชีแต่ไม่เป็นสังฆเภท อุบาลีฝ่ายหนึ่งมีภิกษุสี่รูปอีกฝ่ายหนึ่งก็มีสรูปรูปที่9ประกาศให้จับสลากว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นสัตุูศาสตร์พวกท่านจงจับสลากนี้จงชอบใจสลากนี้อย่างนี้จัดเป็นทั้งสังฆราชีและสังฆเพศเจ็ดภิกษุ9รูปหรือมากกว่า9รูปจัดเป็นทั้งสังฆราชีและสังฆเพศ อุบาลีภิษุนีทำลายสงไม่ได้ได้แต่พยายามทำลายเสกมานาทำลายสงไม่ได้สามนเณรทำลายสงไม่ได้สามนเณรีทำลายสงไม่ได้อุบาสกทำลายสงไม่ได้อุบาสิกาก็ทำลายสงไม่ได้ได้แต่พยายามทำลายอุบาลีปะกะตตะภิษุผู้มีสังวาเสมอกันอยู่ในสมาณสีมาย่อมทำลายสงได้ สังฆเพศเรื่องที่ทาให้สงแต่กัน18ประการพระอุบาลีทูลถามว่าที่พระองค์ตรัสว่าสังฆเพทสังฆเพทสงจะเป็นผู้แต่กันด้วยเหตุเท่าไรนอพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้หนึ่งแสดงอธรรมว่าเป็นธรรมสองแสดงธรรมว่าเป็นอะธรรม สแสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินัย 4. แสดงวินัยว่าไม่ใช่วินัย 5. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้ตรัสไว้ว่าตถาคตได้พาสิทธไว้ได้ตรัสไว้ 6. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้พาสิทธไว้ได้ตรัสไว้ว่าตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้ตรัสไว้ 7. แสดงจริยาวาทที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่า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 แสดงอาบัตไม่ชั่วหยาบว่าเป็นอาบัตชั่วหยาบภิกษุเหล่านั้นย่อมแยกพวกออกมาประกาศตัวด้วยเหตุ18ปดอย่างนี้แยกกันทาอุโบสถแยกกันทาปวารณาแยกกันทาสังฆกรรมอุบาลีสงจะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุเท่านี้แหละสังฆสามคัคคีพระอุบาลีทูลถามว่าพระพุทธเจ้าข่า ที่พระองค์ตรัสว่าสังฆสามคีสังฆสามคีสงจะเป็นผู้สมคีกั น, กนด้วยเหตุเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้หนึ่งแสดงอธรรมว่าเป็นอธรรมสองแสดงธรรมว่าเป็นธรรมสมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าไม่ใช่วินยัยสแสดงวินัยว่าเป็นวินยัย 5แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาสิทธไว้ไม่ได้ตรัสไว้ว่าตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้ตรัสไว้ 6. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้พาสิทธไว้ได้ตรัสไว้ว่าตถาคตได้พาสิทธไว้ได้ตรัสไว้ 7. แสดงจริยวัดที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 8. แสดงจริยวัดที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่า ตถาคตได ah, ้ประพฤติมาเ้าแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้สิบแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้สิบเอ็ดแสดงอนาบัตว่าเป็นอนาบัตสิบสองแสดงอาบัตว่าเป็นอาบัตสิบสามแสดงอาบัตเบาว่าเป็นอาบัตเบาสิบสี่ แสดงอาบัตหนักว่าเป็นอาบัตหนัก 15. แสดงอาบัตมีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัตมีส่วนเหลือ 16. แสดงอาบัตไม่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัตไม่มีส่วนเหลือ 17. เดแสดงอาบัตชั่วยาบว่าเป็นอาบัตชั่วยาบ 18. แดสดงอาบัตไม่ชั่วยาบว่าเป็นอาบัตไม่ชั่วยาบ ภิกษุเหล่านั้นย่อมไม่แยกพวกออกมาประกาศตัวด้วยเหตุ18บปดอย่างนี้ไม่แยกกันทำอุโบสถไม่แยกกันทำปวารณาไม่แยกกันทำสังฆกรรมอุบาลีสงจะเป็นผู้สมคีกันด้วยเหตุเท่านี้แลพระอุบาลีกราบทูลถามว่าพระพุทธเจ้าข่าภิกษุผู้ทำลายสง์ผู้พร้อมเพียงกันจะประสบผลอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่า อุบาลีภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันนั้นย่อมประสบผลชั่วร้ายชั่วกับถูกไฟไหม้ในนรกตลอดกับนิคมมัคขาภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกันยินดีการแตกกันตั้งอยู่ในอธรรมเป็นผู้เข้าถึงอบายอยู่ในนรกตลอดกับพราดจากนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกับ เพราะทำลายสง์ที่สมัคคีกกันให้แตกแยกกันพระอุบาลีทูลถามว่าพระพุทธเจ้าค่าภิกษุทําสง์ที่แตกกันให้พร้อมเพลียงกันจะประสบผลอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุทําสง์ที่แตกกันให้พร้อมเพลียงกันย่อมประสบบุญอันประเสริฐบันเทิงในสวรรค์ตลอดกัลนิคมมัถา ความพร้อมเพรียงของสง์เป็นเหตุให้เกิดสุขและบุคคลผู้อนุเคราะห์สงผู้พร้อมเพรียงกันแล้วผู้ยินดีในความพร้อมเพรียงกันตั้งอยู่ในธรรมย่อมไม่พลาดจากธรรมอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะย่อมบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับเพราะสมานสง์ให้สมคีกันภิกษุผู้ทำลายสง์ต้องไปเกิดในอบายพระอุบาลีทูลถามว่าพระพุทธเจ้าค่า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 ต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรกดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้เป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้แสดงอธรรมว่าเป็นธรรมมีความเห็นอธรรมนั้นว่าเป็นอธรรมมีความเห็นความแตกกันว่าเป็นอธรรมอำพรางความเห็นอำพรางความเห็นชอบอำพรางความพอใจอำพรางความประสงค์ประกาศให้จับสลากว่า นี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นศัตรศาสตร์พวกท่านจงจับสลากนี้จงชอบใจสลากนี้อุบาลีภิกษุผู้ทำลายสงนี้ต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรกดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้อุบาลีอีกอย่างหนึ่งภิกษุแสดงอธรรมว่าเป็นธรรมมีความเห็นธรรมนั้นว่าเป็นอธรรมมีความเห็นความแตกกันว่าเป็นธรรม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 ภิกษุแสดงอธรรมว่าเป็นธรรมมีความเห็นอนธรรมนั้นว่าเป็นอนธรรมไม่แน่ใจความแตกกันอัมพรางความเห็นอัมพรางความเห็นชอบอำมพรางความพอใจอำมพรางความประสงค์ประกาศให้จับสลากว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นสัตุศาสตร์พวกท่านจงจับสลากนี้จงชอบใจสลากนี้อุบารีภิกษุผู้ทาลายสงนี้ ต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรกดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้อุบาลีอีกอย่างหนึ่งภิกษุแสดงอธรรมว่าเป็นธรรมมีความเห็นอนธรรมนั้นว่าเป็นธรมมมนนธรมมีความเห็นความแตกกันว่าเป็นอธรรมละถึงมีความเห็นอธรรมนั้นว่าเป็นธรรมไม่แน่ใจในความแตกกันไม่แน่ใจในอธรรมนั้นมีความเห็นความแตกกันว่าเป็นอธรรม ไม่แน่ใจในอธรรมนั้นมีความเห็นความแตกกันว่าเป็นธรรมไม่แน่ใจในอธรรมนั้นไม่แน่ใจในความแตกกันอัมพรางความเห็นอัมพรางความเห็นชอบอัมพรางความพอใจอัมพรางความประสงค์ประกาศให้จับสลากว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นสถุศาสตร์พวกท่านจงจับสลากนี้จงชอบใจสลากนี้อุบาลี ภิกษุผู้ทําลายสงนี้ต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรกดํารงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้อุบาลีอีกอย่างหนึ่งภิกษุแสดงธรรมว่าเป็นอธรรมและถึงแสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินยัยแสดงวินัยว่าไม่ใช่วินยัยแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้ตรัสไว้ว่าตถาคตได้พาสิทธไว้ได้ตรัสไว้ แสดงจริยวัรที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมาแสดงจริยวัตดที่ตถาคตประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมาแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้แสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้แสดงอนาบัติว่าเป็นอาบัติแสดงอาบัติว่าเป็นอนาบัติ แสดงอาบัตเบาว่าเป็นอาบัตหนักแสดงอาบัตหนักว่าเป็นอาบัตเบาแสดงอาบัตมีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัตไม่มีส่วนเหลือแสดงอาบัตไม่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัตมีส่วนเหลือแสดงอาบัตชั่วยาบว่าเป็นอาบัตไม่ชั่วยาบแสดงอาบัตไม่ชั่วยาบว่าเป็นอาบัตชั่วยาบมีความเห็นธรรมนั้นว่าเป็นธรรมมีความเห็นความแตกกันว่าเป็นธรรม มีความเห็นธรรมนั้นว่าเป็นอธรรมมีความเห็นความแตกกันว่าเป็นธรรมมีความเห็นธรรมนั้นว่าเป็นอธรรมไม่แน่ใจความแตกกันมีความเห็นอธรรมนั <Hindi> ้นว่าเป็นธรรมมีความเห็นความแตกกันว่าเป็นอธรรมมีความเห็นธรรมนั้นว่าเป็นอธรรมไม่แน่ใจความแตกกันไม่แน่ใจธรรมนั้นมีความเห็นความแตกกันว่าเป็นอธรรมไม่แน่ใจอธรรมนั้น มีความเห็นความแตกกันว่าเป็นอธรรมไม่แน่ใจอธรรมนั้นไม่แน่ใจความแตกกันอำพรางความเห็นอำพรางความเห็นชอบอำพรางความพอใจอำพรางความประสงค์ประกาศให้จับสลากว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นสัตรศาสตร์พวกท่านจงจับสลากนี้จงชอบใจสลากนี้อุบาลีภิกษุผู้ทำลายสอ์นี้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 ภิกษุในธรรมวินัยนี้แสดงอธรรมว่าเป็นธรรมมีความเห็นอธรรมนั้นว่าเป็นธรรมมีความเห็นความแตกกันว่าเป็นธรรมไม่อพรางความเห็นไม่อพรางความเห็นชอบไม่อพรางความพอใจไม่อภรางความประสงค์ประกาศให้จับสลากว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นสัตุ์ศาสตร์พวกท่านจงจับสลากนี้จงชอบใจสลากนี้อุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงนี้ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดในนรกไม่ต้องดำรงอยู่ชั่วกับไม่ใช่แก้ไขไม่ได้อุบาลีอีกประการหนึ่งภิกษุแสดงธรรมว่าเป็นอธรรมละถึงอาบัติชั่วหยาบว่าเป็นอาบัติไม่ชั่วหยาบมีความเห็นธรรมนั้นว่าเป็นธรรมมีความเห็นความแตกกันว่าเป็นธรรมไม่อาพรางความเห็นไม่อาพรางความเห็นชอบ ไม่อำพรางความพอใจไม่อำพรางความประสงค์ประกาศให้จับสลากว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นสัตุศาสตร์พวกท่านจงจับสลากนี้จงชอบใจสลากนี้อุบาลีภิกษุผู้ทําลายสงอย่างนี้ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดในนรกไม่ต้องดำรงอยู่ชั่วกับไม่ใช่แก้ไขไม่ได้ตาติยะภาณวาระจก สังคเพทขันธกะที่7จบรวมเรื่องที่มีในสังคเพทขันธกะเรื่องเจ้าสักยะผู้มีชื่อเสียงออกบวชขณะที่พระผู้มีพระภาคประทับที่อนุปยานิคม เจ้าอนุรุทธะสักยะผู้สุขุมารชาตไม่ปรารถนาจะทรงผนวดเจ้ามหานามผู้พี่จึงสอนวิธีไถนาหว่านข้าวไถน้ำข้าวระบายน้ำออกถอนหญ้าเกี่ยวข้าวขนข้าวตั้งลอมนวดข้าวสางฟางฝัดข้าวรีบฝัดละองออกขนขึ้นฉางเจ้าอนุรุทธะจึงตัดสินใจออกบวช เพราะทรงเห็นการงานไม่มีที่จบสิ้นแม้มารดาบิดาปู่ย่าตายายจะตายไปหมดพระเจ้าพัทยาสักยะเจ้านุรุทธาสักยะเจ้าอานน์เจ้าภคุเจ้ากิมพิระถือตัวว่าเป็นสักยะวงเพื่อจะตัดมานะจึงยอมให้อุบาลีบวชก่อนพระผู้มีพระภาคประทับณกรุงโกสัมพีพระเทวทัตทำกรรมเลวซามเสื่อมจากฤทธ กากุทะโกริยะเทพประบุเข้าไปแจ้งข่าวแก่พระมหาโมคคลานะทรงลงประกาศนียกรรมพระเทวทัตอาชาตสตรูกุมารถูกพระเทวทัตยุยงให้ปรงพระชนพระชนกพระเทวทัตทรงบุรุษไปลอบปรงพระชนพระผู้มีพระภาคแต่ไม่สำเร็จพระเทวทัตกลิ้งศิลาหวังจะปรงพระชนพระผู้มีพระภาคด้วยตนเองสั่งให้คนปล่อยช้างนาลาคีรีเพื่อทำร้ายพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติโพชนาที่คนสามคนพึงบริโภคเพราะอำนาจประโยชน์สามอย่างต่อจากนั้นพระเทวทัตทูลขอวัตถุห้าประการพยายามทำลายสงการทำลายสงมีโทษหนักพระเทวทัตทำลายสงชักชวนภิกษุห้าร้อยรูปเข้าเป็นพักพวกพาหนีไปอยู่ที่ขยาศีสะประเทศพระผู้มีพระภาครับสั่งให้พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ไปพาภิกษุ500รอรูปกลับให้พวกภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ทำลายสงฆ์แสดงอาบัติทุลละใจเรื่ององค์8มีสมเรื่องคือ 1. ภิกษุผู้ควรเป็นทูดมีคุณสมบัติ8อย่าง 2. พระสารีบุรประกอบเรื่องคุณสมบัติของทูด8อย่าง 3. พระเทวทัตถูกอสัตธรรม8อย่างครอบงำพระเทวทัตถูกอสัตธรรมสาอย่างครอบงำ เรื่องอาการที่เรียกว่าสังราชีสังฆเพศสังฆเพทะคันทะกะจบ